เจริญพรโอ้เสียงดังนะนี่เจริญอรทีเดียวตกใจเลยเร า, าย้ายย้ายพบนะพบที่อาศัยสาราลุงชิน<_><_><_>ก็รับพวกเราไม่ไหวจริงหลวงพอ่อเสนอเขาว่กว่าให้เลิกสมัหม ร่วมปีนะพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนพวกเราเข้าไปที่เป็นพันๆกว่าคนเขาเข้าออกําบากแต่เขาก็ทนนะในหมู่บ้านชาวบ้านเขาอดทนให้พวกเราเข้าไปใช้สถานที่เขาต้องเก้าปีสาราลูชินก็สแสดงไตรักให้เราดู มีเริ่มต้นก็ต้องมีการจบเป็นไงก็ต้องจบ น, งนี่ทางมศทเขาให้ที่ให้ที่ให้ใช้ฟรีด้วยทางมูลนิธินะเขารู้สึกว่าอยากช่วยค่าใช้จ่ายบ้างเราคงไม่ได้ใช้ฟรีทั้งหมดหรอก เมนมหาวิาลัยเขาก็ต้องรับภา ร, รามากเกินไปภาระของมหาวิเย์เขาก็เยอะอยู่แล้วนะนี่พวกเรามาใช้สถานที่เขาก็ต้องมีระเบียบเขาให้จอดรถที่ไหนก็จอดนะทําแบบสาระลชินไม่ได้นะเดี๋ยวถูกไล่ไปอีกขยโยขยานะอย่าไปทิกเลี่ยราดนะ สถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ที่รับพวกเราได้มันมีไม่มากโรงแรมยังไม่โตเท่านี้เล ย, ยที่นี่เต็มแล้วละ่ะเหลือข้างหน้าสองสามที่คนไม่กล้านั่งเท่านั้นเองข้างหลังแน่นบางคนยังติดสาราดูชินอยู่อยากให้เหมือนเดิมมันเหมือนไม่ได้หรอก คล้ายๆเราตายจากที่หนึ่งมาเกิดอีกพบหนึ่งแล้วมันก็เป็นคนละคนละไม่ใช่คนเก่าชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนกลุ่มมัคคปฏิปทาเป็นคนจัดอันนี้กลุ่มมูลนิธิสื่อธรรมเป็นคนจัดรูปแบบกที่เขาจัดงานเขาก็อยากให้เหมือนเดิมมากที่สุดแต่มันเหมือนไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมอย่ากจะลือเก้าอี้ออกให้พวกเรานั่งที่พื้น่ะเมื่อยตายเลยที่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเวทีนี่สูงถ้าพวกมันนั่งพื้นข้างหน้าเนี่ยฟังหลวงพ่อเทศน์ต้องเทศจบนะก็เดินออกไปอย่างนี้เลยเอาหลงไม่ได้หรอกไม่ว่าอะไรนะเขาก็แสดงธรรมาให้เราดูธรรมะน่้มีอยู่ทุกคนทุกแห่ง แสดงตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่านถ้าเรามีตาที่จะดูธรรมะมก็เห็นธรรมะแสดงตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาอย่างทำไมเราต้องเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นธรรมะและ้วทุกอย่างไม่เที่ยงบางคนร้อ ง, องห่มร้องไห้เมื่อกี้ในหลวงพ่อก็เจอคนนึง พี่สาวตายตายปุบ ป, ปับนี่ก็ธรรมะอะไรๆในชีวิตเราธรรมะทั้งนั้นเลยหลวงพ่ออยู่แถวชนบุรีศรีราชาเน้นน้ำท่วมก็เป็นธรรมะนะ <c oughs> อยู่ๆฝนก็ตกเแยะเลยธรรมดาไม่ค่อยจะตกมันตกทีเดียวน้ําท่วมไปเลยน้ำท่วมประเดี๋ยวเดียวก็วาหาย <c oughs> ตอนนี้น้ําแห้งลนะกลับไปสู่ภาวะแห้งแรงเหมือนเดิมเ <c oughs> นี่ยทุกอย่างในชีวิตเรานะที่มันผ่านเข้ามาเนี่ย มันสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้หน้าที่เราคือเปิดใจของเราให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตทุกอย่างในชีวิตเรากระทั่งร่างกายจิตใจหรือทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่มันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงหมายถึงว่าของเคยมีแล้ววันหนึ่งมันไม่มี สิ่งที่แวดล้อมเราอยู่นี่ยมันเป็นทุกข์คำ ว, ว่าทุกข์เนี่ยหมายถึงว่าของที่กําลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอเ น, นจังเนี่ยคือของที่เคยมีแล้วหายไปไม่มีทุกขังเนี่ยของที่กําลังมีนยกําลังถูกบีบคั้นให้หายไปอนาตตาก็คือของที่จะมีหรือจะหายไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยความจริง หรือธรรมะอย่างนี้มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะเป็นของเที่ยงนะพระพุทธเจ้าจีพระองค์ตรัสรู้ก็สอนธรรมะอันเดียวกันเองโลกนี้ไม่เที่ยงรูปนามไม่เที่ยงธรรมะมันเป็นของจริงเป็นสัจจะอันเที่ยงทําไงเราจะหลุดออกจากโลกที่แปรปรวนนี้เข้าไปสู่โลกแห่งความจริงได้แล้วลืมตาตื่นขึ้นมาดูว่าจริงจริงแล้วมันเป็นยังไง เราตื่นขึ้นมาแล้ว ร, รู้สึกลงมาที่ร่างกายรู้สึกลงมาในจิตใจของเรานี้แหละเรียนกรรมฐานเรียนลงที่กายที่ใจเราถึงจะเป็นของจริงของข้างนอกไม่ไม่ใช่ของจริงจังอะไรนะกระทั่งคนที่เรามองเห็นอย่างพวกเราเห็นหน้าหลวงพ่อใช่ไหมที่จริงแล้วตอนที่เราเห็นหน้าหลวงพ่อเนี่ยเราเห็นหน้าหลวงพ่อในอดีตซะแล้วละมันมีแสงที่ใช้เวลาเดินทาง แต่อย่างนี้ใกล้ๆเรอก็รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจริงๆจริงสิ่งที่เรามองเห็นเราเห็นสิ่งในอดีตทั้งนั้นเลยอย่างของที่อยู่ไกลๆดวงอาทิต ย, ย์แสงเดินทางมาใช้เวลา8นาที9นาทีนั่นดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยดวงอาทิตย์ในอดีตเมื่อ8นาที9นาทีก่อนดาวบางดวงอยู่ตั้งห่างตั้งพันปีที่เราเห็นเนี่ยเป็นดาวในอดีต นี่เราอยู่ใกล้ๆอย่างเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจริงๆอดีตนะแต่อดีตนิดนึงนงัอนการที่เราจะมารู้ปัจจุบันเนี่ยอย่าสนใจของข้างนอกมากนักสิ่งที่จะต้องเรียนเนี่ยเรียนที่ตัวเราเองนี่จริงๆอย่างขนาดเนี้ยถ้าเราลองพยักหน้าสิเนี่ยเรารู้ได้ปัจจุบันเลยใช่ไหมเรารู้ได้ปัจจุบันเล ย, ยงั้นในตัวเราเนี่ยของปัจจุบันนะ สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินอย่างเสียงที่เราได้ยินใช้เวลาเดินทางมาเข้าหูเราก็เป็นเสียงในอดีตแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยของปัจจุบันรู้สึกอยู่หรือความรู้สึกทั้งหลายมันผุดขึ้นมาในใจนะนเป็นของจริงๆรเมื่อมันผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าสติเราเร็วไม่เห็นมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราเรียนจากของจริงของจริงปรากฏอยู่ที่กายที่ใจเรานะไม่ใช่ของอดีตเป็นของปัจจุบัน งั้นปัจจุบันนี้สั้นนิดเดียวใช้เวลาสั้นนิดเดียวอย่างชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วหนึ่งขณะนั้นแป๊บเดียวก็ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วงั้นชีวิตเนี่ยที่ว่ามีจริงมีจังนะจริ ง, รงๆแล้วเหมือนฝันอยู่เท่านั้นเองผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยนะถึงเวลาก็ปีหนึ่งสองปีผ่านไปเก้าปีต้องย้ายที่เทศต่อไปหลวงพ่อต้องไปเทศน้ำหลวงที่นี่อาจจะไม่พอฟัง ทำไม่แก่จนหมดแรงเทศก่อนนะเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้เราจะทุกข์อย่างคนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้พี่สาวตายร้องไห้นึกถึงเราก็ร้องไห้ถ้าไม่นึกก็ไม่ร้องนะร้องตอนนึกว่าพี่ตายถ้าไปคิดเรื่องอื่นไม่ไม่ร้องร้องเพราะอะไรเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงชีวิตนี้แต่ไม่ได้ทุกนะมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเราอยากให้มันสุขรูปนามกายใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงเรายืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของคือคืนโลกไปนี่เวลาเรายืนเข้ามาใช้นะเราชีว่ตของเราของเราเวลาเขาเอาคืนยอมรับไม่ได้ ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกแล้วนะทำไงจะยอมรับได้ตั้งใจยอมรับได้ก็ยอมรับไม่ได้เพราะใจนี้เป็นของที่สั่งไม่ได้เราจะสั่งให้มันยอมรับความจริงนะมันไม่ยอมหรอกแต่เราทำได้อย่างเดียวคือพามันดูความจริงซ้าแล้วซ้หอีกลงไปจนวันหนึ่งเนี่ยจิตมันยอมจำนวนต่อข้อเท็จจริงเมื่อจิตมันยอมจานวนต่อข้อเท็จจริงแล้วนะมันถึงจะยอมรับ ถ้าจิตยอมรับความจริงแล้วเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือความลหลงไหลในรูปในนามแล้วในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเงินไม่ว่ารูปนามกายใจของเราจะแปรปรวนยังไงสิ่งแวดล้อมของเราจะแปรปรวนยังไงใจมันจะไม่ทุกข์เพราะมันยอมรับได้งินทุกวันนี้ที่ทุกข์นะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้หันมาเผชิญความจริงชาวพุทธไม่ใช่พวกหนีโลก บางคนนี่ยชอบพูดนะว่าเป็นชาวพุทธเนีเป็นพวกหนีโลกอันนั้นเขาไปเห็นในพวกทำกรรมฐานนั่งหลับหูบหลับตาเราะว่าหนีโลกวันวันไม่เจอใครเข้าบ้านปิดบ้านปิดประตูห้องอยู่แต่ในห้องภาวนาอยู่ในห้องคนเขาว่าหนีโลกชาวพุทธแท้จริงไม่ได้หนีโลกชาวพุทธแท้จริงอยู่กับโลกนี้แหละเราเรียนรู้โลกเรียนรู้โลกตามความเป็นจริง ถ้าเราไม่สามารถรู้โลกตามความเป็นจริงได้เราพ้นจากโลกไม่ได้เราพ้นจากทุกข์ไม่ได้การที่เราจะเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงได้นะใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี้มันของจริงมันอยู่ในปัจจุบันของจริงไม่ได้อยู่ในอดีตอดีตไม่มีแล้วของจริงไม่ได้อยู่ในอนาคตอนาคตยังไม่เกิดขึ้นงนั้นความจริงที่เราจะเรียนรู้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละขณะนี้แหละนะงนั้นทาไงใจเราจะอยู่กับปัจจุบันธรรมชาติของใจนะ ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนะ่มันจะหนีตลอดเวลาหนีไปอดีตหนีไปอนาคตอย่างเวลาเรานอนตื่นนอนขึ้นมาเมื่อเชา้านี้จำได้ไหมตอนตื่นนอนคิดถึงอะไรคิดถึงร่างกายที่กำลังนอนอยู่ไหมหรือว่ารู้ทันสภาวะของจิตในขณะนั้นใครเป็นบ้างยกมือสิไม่มีเลยเนะาะอัศจรรย์นหนอแต่ว่าเป็นปกตินะคิดถึงอะไร คิดถึงว่าวันนี้จะมามสทจะเข้าทางไหนดีนะจะจอดรถตรงไหนจ ะ, จะทำยังไงเพราะนัเราคิดอันนี้คิดอะไรคิดอนาคตนะถ้าแก่หน่อยนะตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรจะทำแนละ้วคิดถึงอดีตคิดถึงวันโน้นวันนีนะ้สมัยเด็กๆ เ, เราไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะมาเรียนรู้ปัจจุบันไม่ได้ งั้นอย่าหลงไปอดีตอย่าหลงไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้ได้ให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวใช้มีความสุขในปัจจุบันก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันใจดีก็รู้ทันใจโลภใจโกรธใจหลงก็รู้ทันเรารู้อยู่กับปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆจนโดยทั้งวันเองใจยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะ ที่จะอยู่ส่วนมากก็จะหลงอดีตหลงอนาคตถ้าเด็กๆ ก, ก็หลงไปอนาคตบ่อยหน่อยถ้าคนแก่ก็หลงอดีตคิดถึงอดีตเคยเป็นอย่างนน้นเคยเป็นอย่างนี้ปัจจุบันไม่ได้เป็นอะไรปัจจุบันรอความตายอยู่แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตนะิเราจะไม่ใช่มีชีวิตอยู่รอความตายนะว่าชีวิตทุกเวลาเนี่ยมีค่าทั้งหมดเลยหายใจออรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวชีวิตมีคุณค่า อยู่กับปัจจุบันไหมอยู่กับปัจจุบันก็มีหลายแบบนะอยู่เป็นก็อยู่ไม่เป็นอยู่เป็นก็คือเรารู้สึกสบายๆเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆอยู่ไม่เป็นก็เคร่งเครียดเมื่อกี้นี่หลวงพ่อแกล้งหยุดพูดนะพวกเราก็รีบอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยถ้า <c oughs> อย่างนั้นติดคุกนะไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันหรอกติดคุกอยู่ ใจที่ดีที่สุดนะใจของคนธรรมดาใจธรรมดานี่แหละดีที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการทํากรรมฐานง่ายที่สุดเหมาะที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเลยเลือกสัสรู้ในภูมิมนุษย์นี่นะภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่ดีที่สุดเลยมนุษย์ก็คือคนซึ่งสามารถพัฒนาใจได้จิตใจเนี่ยพัฒนาได้ภูมิอื่นพัฒนาลําบากหน่อยอย่างพวกที่ชีวิตตกต่ำทุกข์มากมากภาวนายาก ภ า, าไม่ได้มนุษย์นะไม่สุขมากไม่ทุกข์มากยังพวกเทวดาพวกพรหมชีวิตมีความสุขมากเพลินในขณะที่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ดูอยู่ที่ว่าจะดูหรือไม่ดูถ้าดูก็ดูได้อย่างตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ไหมยากไหมไม่ยากแต่ไม่อยากดูใช่มอยากดูหนังอยากดูอย่างอื่นมากกว่า ไม่อยากดูร่างกายตัวเองขณะนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้ได้ไหมก็รู้ได้ใช่ไ้ยแต่ขี้เกียดรู้อยากรู้เรื่องอื่นเราสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายแล้วก็สนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองให้ความสำคัญกับรูปมากกว่าตาให้ความสำคัญกับเสียงมากกว่าหูนะให้ความสาคัญกับกลิ่นมากกว่าจมูก ให้ความสำคัญกับรถมากกว่าลิ้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่มากระทบร่างกายมากกว่าร่างกายให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่คิดนึกขึ้นมาเองนะมากกว่าการที่จะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนั้นคนในโลกนี้ไม่สามารถบรรลุมาผลนิพพานได้ไม่ใช่ว่ามันโง่งผิดธรรมดาเลยหรอกแต่ว่ามันละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองโลวูดลเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติก็คือคนซึ่งมันไม่ใส่ใจมันไม่สนใจในร่างกายในจิตใจของตนเองเราแค่ใส่ใจเราก็รู้ได้และลองยิ้มซิ้ยิ้มหวานๆวานยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายยิม้มไม่เห็นยากเลยสายหน้าเงีย้ยรู้ไหมร่างกายสายหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากหรือใจเราจะสุขใจเราจะทุกข์ใจดีใจร้ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรนนเราถ้าเราไปคิดว่า การทำกรรมฐานนะั่นคือการทำอะไรอย่างหนึ่งที่ยากยากผิดมนุษย์มนานะิดอย่างนั้นแหละมันก็ไปสร้างการเพง่งการจ้องการบังคับตัวเองขึ้นมานะใจก็อืดนัดหาความสุขความสบายอะไรไม่ได้เครียดๆปัญญาไม่เกิดนะปัญญาจะเกิดได้ใช้ใจธรรมดาธรรมดารู้สึกตัวสบายๆใจที่สบายมีสมาธิอยู่ในตัวนะมันมีความสุขขึ้นมาใจสบาย รู้ดเนื้อรู้ตัวไปสมารถที่มันมีอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่ยากอะไรค่อยๆฝึกนะงานหลักของเราในชีวิตเราเนี่ยคืองานพัฒนาใจของเรานี่เองการพัฒนาใจนะั้นมีงานสอ ง, สองอย่างนะหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานพัฒนาให้ใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงงานหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาให้ใจฉลาดให้ใจรู้ความจริงของรูปนามกายใจ น ง, งานจริงๆมีแค่นี้เองเนื่อ ง, งานหลักในชีวิตเรานะส่วนงานทํามาหากิน ง, งานในไนี้อยู่กับโลกเพื่ออาศัยหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรไปอาศัยอยู่กับโลกโ่วครั้งโ่วคราวทรัพย์สมบัติสะสมเอาไว้สุดท้ายก็คืนให้โลกเหนได้เราคืนสมบัติให้โลกตลอดเวลาใช่ไหมได้เงินมาก็จ่ายไหมคืนเข้าไปนะที่เก็บไว้เยอะๆสุดท้ายก็คืน ร่างกายนี้ยืมโลกมาสุดท้ายก็คืนงั้นเรามาฝึกนะมาฝึกตัวเองพัฒนาใจของเราเองนี่คืองานหลักของเรางานอื่นๆเป็นงานเพื่อจะอยู่กับโลกให้มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวงานพัฒนาใจนี่งานใหญ่งานสำคัญงานในโลกเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมาเพาื่อวันหนึ่งจะสูญเสียไปแต่งานพัฒนาใจในี่โดยเฉพาะการพัฒนาจนเข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ย มันติดตัวข้ามภพข้ามชาติกระทั่งสมาธิก็ติดตัวข้ามภพข้ามชาตินะอย่างเราทำสมาธิมาได้ชำนิชำนานนนเนี่ยเราตายไปนะชาติต่อไปเวลาเราทำสมาธินั้นะง่ายมากเลยหายใจสองทีจิตก็สงบแล้วเพราะของมันเคยทำนะมันยากสำหรับคนไม่เคยทำเนี่ยของเหล่านี้มันติดตัวเราตลอดชีวิตนะอยอย่างอยู่ไปจนแก่นะคนแก่ทั่วทวไปนะรู้สึกสูญเสีย ถ้าไม่สูญเสียไปแล้วก็กําลังจะสูญเสียใจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียเรารู้สึกว่าเรากําลังได้เล่นสนุกนะกําลังได้สนุกกับชีวิตที่ได้ต่อสู้วาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยวาระที่จะได้ทดสอบตัวเองใจมันฮึกเหิมนะมันจะไม่ได้ท้อแท้พ่อแป้แบบคนทั่วๆไปเขาเป็นน้องนี่ที่หลวงพ่อสอนมาตั้งเยอะตั้งแย่แล้วเนี่ยวนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้เอง เรื่องของการฝึกจิตนะให้มีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นเรื่องของการฝึกจิตให้ฉลาดอบรมจิตให้มีปัญญาต้องสอนซ้ำไหมเนะี่ยมีคนไปยักหน้าเยอะเลยในซีดีก็มีให้ฟังตั้งเยอะนะไปฟังบ้างนะบางคนมีซีดีหลวงพ่อทุกแผ่นเลยนะทุกเวอร์ชั่นเลยใส่ตู้จุดทุกจุดเทียนไว้อย่างดี ไม่ได้ประโยชน์นะอย่างนี้ที่จริงแล้วอย่างกานจะฝึกจิตให้สงบนะไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อมีแต่คําว่าไม่ยากเห็นไหมไม่ไดยากอะไรฝึกจิตให้สงบก็อย่าไปทําให้มันวุ่นวายซะก็หมดเรื่องแนละ้ววุ่นวายก็วุ่นวายของเราเองนะแสบใสเห็นไหมวันๆหนึ่งสนใจสิ่งภายนอกสนใจอะไรวุ่นวายหรือไม่คิดอะไรตระหนึเปิดเปลืงไปอย่างถ้าเรารู้จัก จิตใจของตัวเองนะเเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยมันจะให้สงบเนี่ยไม่สงบง่ายๆมันช่างคิดเราก็ทำกรรมฐานที่ใช้ความคิดเนี่ยใจมันชอบคิดเนี่ยเราก็ทำกรรมฐานคิดคิดเรื่องที่ดีๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทาไว้แล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วอย่างช่วงนี้เข้าพรรษา บางคนนะั้งดเหล้าไม่กินเหล้าเข้ า, าพรรษานพอออกพรรษานะ่ยใจนึกถึงไม่ได้อดเหล้าไม่ได้พรรษานะี่ยปลื้มมากเลยมีความสุขนะสมาธิก็ เ, เกิดแต่ส่วนใหญ่พอออกได้ก็กินต่อเลยนะอย่างนั้นไม่ดีหลวงพ่าเคยรู้จักคนหนึ่งนะเขาฉลาดมากเลยเขาบอกว่าเขาจะกินเหล้าตอนเข้าพรรษาเนี่ยเขาบอกงี้นะออกพรรษาเขางดเหล้าคนก็ด่าว่าไอ้บ้า ใครเข้องวดเหล้าเข้าขรรษาไอ้ น, นี่กินเหล้าเข้าพรรษาทําไมเป็นอย่างนั้นบอกเวลาเข้าพรรษานะสามเดือนใช่ไหมกินเหล้าปีนึ่งสามเดือนอเรเว้นอีกตั้งกี่เดือนเก้าเดือนเขาดีกว่าแต่มันยังไม่ดีที่สุดหรอกยังมีเลวอยู่สามเดือนเราไม่อยากพูดน้ําแก่กว่าเราเดี๋ยวเพราว่าล่วมเกินผู้อาวุโสไม่ยากอะไรนะถ้าใจชอบคิดทํากรรมฐานคิด จิตจะสงบนะเมื่อจิตมีความสุขงั้นจิตชอบคิดนะพามันคิดแต่คิดเรื่องที่มีความสุขนะเป็นเรื่องที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมนะไม่ยั่วกิเลสคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความเมตตากรุณาคิดถึงคนที่ดีๆคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกาย ใมคิดถึงร่างกายตัวเองไมคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออินทรีนะให้ร่างกายให้จิตใจเนี่ยนเวียนพิจารณาอยู่ในกายไหนๆนช่างคิดแล้วแทนที่จะคิดเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องอื่นนะก็มาคิดพิจารณาร่างกายเข้าใจมันได้คิดไม่ได้ห้ามมันคิดมันได้คิดแล้วก็คิดเรื่องดีๆใจก็สงบง่ายนี่บางคนไม่ชอบคิดเป็นคนไม่ชอบคิดนะ มีวันวนก็อยู่แต่ความสุขความสบายเหลือเพลิลลนๆไปให้ไปทํากรรมฐานคิดนะเครียดจัดไม่ชอบถ้าอย่างนั้นก็ทํากรรมฐานที่ไม่ต้องคิดอย่างใจมันฟุง้งซ่านมากก็ค่อยรู้เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าจะสงบเมื่อไหร่หายใจเล่นๆไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง ถ้าคิดว่าจะหายใจเพื่อให้จิตสงบนะจิตจะฟุ้งซ่านเพราะจิตมันมีโลภะมันอยากซะแล้วนะล้วปล่อยนะอย่าไปบังคับมันรู้ใจของตัวเองไปสบายหายใจไปสบายๆหายใจไปใจสงบก็รู้หายใจไปใจฟุ้งซ่านก็รู้สงบมือหรือไม่สงบก็ช่างมันทําได้อย่างนี้แป๊บเดียวก็สงบแล้วละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะสบายใจนั้นความสงบนะมันมาจากความสบายใจ ชอบคิดคิดแล้วสบายใจไปคิดพิจารณาธรรมะต่างๆก็ได้ความสงบถ้าหายใจแล้วสบายใจก็หายใจไปสบายใจเดี๋ยวก็สงบบางคนเนี่ยอาฆาตพยาบาทมากโกรธมากอะไรเงี้ยหัดเจริญเมตตาคิดเหมือนกันนะคิดกลับข้างคิดกลับข้างคิดเจริญเมตตาคิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นขอให้เขามีความสุขนะอย่าได้เดือดร้อน ให้มีความสุขความเจริญรในตอนใดใจเขาคิดถึงคนอื่นในทางบวกเราคิดบวกไปเรื่อยๆมันก็ไปแก้คิดลบใอ้คิดบวกมันก็ไปแก้การคิดลบถ้าไม่พามันคิดบวกใจมันแอบไปคิดลบงั้นเราก็คิดเชิงบวกไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นใจก็สงบเนื้อแผ่เมตตาสบายเวลาแผ่เมตตานะใจสงบถึงขั้นอรูปฌานนะใจจะเข้าถึงอรูปฌานได้ ถ้าใช้อานาปานสติจะได้รูปฌปานแต่และอันได้กรรมฐานได้ได้ความสงบที่ไม่เท่ากันถ้าเราคิดพิจรนารณาคิดถึงร่างกายคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานถึงศีลคิดถึงคนดีอะไรพวกนี้อันนี้ได้ความสงบในขัน้นต้นๆได้อุปจาราสมาธิความสงบเนี่ยได้ไม่เท่ากันกัรนกรรมฐานแต่ละชนิดแต่เราอย่าโลภมากนะไม่ใช่ว่าต้องเอาสงบเยอะแยะอะไร เอาสงบนิดหน่อยดีกว่าไม่สงบเลยทุกวันนี้หาความสงบสักหน่อยหนึ่งก็หายากแล้วงั้นเราไปสังเกตตัวเองว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขไปสังเกตเอาใจไม่ช่างคิดมากพิจารณาเข้าไปนะพามันคิดไปถ้าใจมีราคามากวันๆคิดแต่ลามกมีใครบ้างมีไหมในห้องนี้ที่วันๆคิดเรื่องละมกทั้งวันเลยยกมือสีมีไหมไม่กล้านะ มันต้องมีบ้างนะเบางคนอายุเย่อๆนะยังคิดนะแต่ไม่กล้าเรา อ, อายเด็กเน่ ใ, ใจมันคิดลามมกทั้งวันเงี้ยแทนที่จะปล่อยให้มันคิดลามมกนะแล้วใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะมคิดถึงปฏิกูลสุภาอะไรเงี้ยนะคิดถึงสิมันไม่สวยมันไม่งามแทนที่จะดูว่าผู้หญิงคนนี้สวยคิดแล้วเกิดราคะแล้วดูลงไปในตัวจริงมันสวยตรงไหนสวยที่ผมหรือเปล่า ผมเนี่มันก็คงไปสักย้อมมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเซ็ตมาเรียบร้อยให้ดูดีถ้าลงไม่อาบน้ําสักสองวันสามวันนะเหม็นหึงเลยผู้หญิงเนี่ยเหม็นมากกว่าผู้ชายนะเดียวเว้นผู้ชายผมยาวๆนะเนี่ยนี่ผู้ชายเพราะว่ผมยา ว, ยาวก็มีผู้หญิงผมสั้นๆก็มียิ่งผมยาวๆเนี่ยเก็บความโสกโปรกไว้เยอะเหม็นเนี่ยเราพิจารณาเข้าไปเนี่ยใจมันคลายจากราคะ เนี่ยเราคิดกลับค้างคิดบวกก็ได้นะคิดกลับค้างก็ได้นะเนี่ยถ้าชอบคิดหรือถ้าไม่ชอบคิดก็ทํากรรมฐานที่ไม่ต้องคิดเช่นรู้ลมหายใจน ะ, จะเจริญเมตตาน ะ, จะเจริญเมตตาเบื้องต้อนอาจจะบริกรรมนิดหน่อยนะแต่พอใจมันร่มเย็นมันจะแผ่กระแสความเมตตาออกไปเองโดยเราไม่ได้คิดนะความเมตตาจะแผ่ซ่านออกไปอย่างพวกเราเคยสังเกตไหมพวกหมาพวกอะไรพวกนี้นะ มันมาเจอคนบางคนนะมันเข้าหาเลยทั้งๆที่ไม่รู้จักนะเพราะว่ากระแสของความร่มเย็นมันแผ่ออกไปบางคนนั้นยิ้มแย้มเนี่ยหมาไม่เข้าใกล้เลยนะหมารู้ว่าตัวจริงนี่ร้ายมากเลยนะหมามันก็มีฤทธิ์แบบหมานะคือมันรู้มันมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้เป็นฤทธิ์ของมันะเป็นฤทธิ์ที่ได้มาด้วยการเกิดของมันอย่างนกก็มีฤทธิ์นะมันมีฤทธิ์มันบินได้นคนเราก็มีฤทธิ์ฤทธิ์มากเลย เราว่านไ้เยอะๆงั้นเรารู้จักให้ใจมันมีที่พักผ่อนบ้างเราอยู่กับโลกโลกนี้วุ่นวายมากนะฝึกให้จิตใจมันได้มีที่พักผ่อนไปสังเกตตัวเองว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไระคิดมากก็อาจจะคิดบวกหรือคิดตรงข้ามคิดไปในทางไม่ดีคือคิดบวกตรงข้าม นะคิดมากก็พามันพิจารณากายพิจารณาอะไรไปนะไม่ชอบคิดก็รู้ลมหายใจนะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเพ็งคนดูนะทําได้ทั้งหมดเลยกรรมฐานเนี่ยมันไม่เลือกนะสมถกรรมฐานนี่ไม่เลือกอารมณนะ์ะอารมณ์อะไรที่ทําแล้วกิเลสไม่เกิดเอาได้เท่านั้นเลยจนะยเป็นเรื่องราวที่คิดก็ได้จะรู้รูปนามก็ได้นะเช่นเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายหายใจ อ น, นี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานฝึกแล้วใจสงบนะหรืออารมณ์นิพพานพรากเราทําไม่ได้ะคนที่จะใช้อารมณ์นิพพานมาทําสมถาะได้ตนะ้อเป็นพระอริยบุคคลแล้วเวลาเข้าเรียกพราสมบัติไม่มีสมบัติอยู่สองอันนะพราสมบัติกับนิโรธสมบัติไม่เหมือนกันหรอกพราสมบัติเนี่ยจิตมันกลับไปสู่สภาวะที่ตอนที่เกิดอริยผลตอนนั้น เรียกว่าบรรลุสั乌ปาที่เสสนิพานนิพานแบบตอนนั้นไม่มีกิเลสดะงนั้นเวลาที่เข้าพระสมาบัติเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่สุภาวะสะั乌ปาที่เสสนิพา น, นใจไม่มีกิเลสขณะนั้นสัมผัสพระนิพานแต่ถ้านิโรธสมาบัตินะจะ ก, การเข้าไปสู่อนุปาที่เสสนิพานนิพานตอนที่สิ้นขันดังนั้นถ้าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะไม่มีขันอยู่แต่ไม่มีขันชั่วคราวเพราะว่าวิปากษ ของขันยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาไม่เกินเจดวันมันก็จะกลับมาอันนี้มันยากเกินไปพวกเราทำไม่ได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะหรือใช้การเข้านิโรธสมบัตินะพวกเราทำไม่ได้เราทำสมาธิเท่าที่ทำได้นะใช้อารมณ์บัญญัติเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธไปสัมมาระหังนะมะภ า, าทะอะไรก็ได้เหมือนันหมด หรือจะใช้การคิดพิจารณาร่างกายนี่เป็นอารมณ์บรรยัติหรือจะใช้อารมณ์รูปนามเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรือดูจิตดูใจจ้องอยู่ที่จิตจิตก็นิ่งจ้องอยู่ที่จิ ต, จออจตไม่เคลื่อนไหวสว่างว่างอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่เราถนัดอะไรนะทำอะไรได้เอา น, นั้นแหละหาหาบ้านให้จิตอยู่ที่สบายสบา ย, ส, บายสักที่หนึ่ง คล้ายๆเป็นที่เติมน้ํามันของเราด้วยที่ชาร์จแบตของเราวันๆเราใช้พลังของจิตไปมากมันเหนื่อยถึงเวลาเราก็มาทําความสงบมาฝึกจิตฝึกใจให้มันได้รับความสุขความสงบบ้างเคล็ดลับอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่ว่าอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็เคล็ดลับตัวที่สองนะรู้จักน้อมจิตไปอยู่อารมณ์นั้นอย่างสบายๆไม่ใช่บังคับจิตให้ไปอยู่อารมณ์นั้นถ้าจิตเครียดนะ่นจะไม่สงบเลย ถ้าเราแค่น้อมจิตไปน้อมจิตไปอย่างสบายๆเรานะใช้จิตที่สบายๆเนะี่ยไปรู้อารมณ์ที่สบายๆเราใช้จิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่สบายๆนะแป๊บเดียวก็สงบนะ้วงินที่หลวงพ่อชอบสอนพวกเรายิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานเนี่ยไม่ใช่ยิ้มแต่หน้ายิ้มจนใจเรานะคลี่บานออกมาเหมือนดอกไม้บานในใจเราเลยนะทําได้ไหมยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจคลายออกแถวที่สา ม, มนี่ไม่เป็นหรอกนะ ที่ยิ้มหนึ่งนะันเราทคลายไม่คลายใจยังเป็นก้อนอยู่นะแล้วต้องให้ใจในบานบางคลายออก ใ, ให้ใจผ่อนคลายนะนนะเราใช้ใจที่ผ่อนคลายนีย้มารู้อารมณ์กรรมฐานที่สบายเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าเรารู้สึกไปอย่างนี้เราสบายนะเป็นอารมณ์ที่สบายเราก็รู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าด้วยจิตใจที่สบายๆแป๊บเดียวสงบนะ เคล็ดลับมันอยู่เท่านี้เองบางคนทำสมาธิทำแทบตายฝึกตลอดชาติไม่เคยสงบเลยมันไม่รู้หลักถ้ารู้เคล็ดลับแล้วง่ายมากเนี่ยทำปุ๊บวับนะมันได้ทันทีตอนเข้าง่ายนะตอนออกถ้าออกไม่ดีนะปวดหัวนะชัใจลงลึกป๊บถอนปุ๊ บ, อ, บออกมาปวดหัว้วมีศิลปะค่อยๆออกนะ คนที่เข้าออกเร็วก็มีพระมคคลานะเข้าออกได้เร็วสาวกอื่นก็ยังช้าอยู่ที่ฝึกนะค่อยๆฝึกไปฝึกพอเราฝึกเข้าใจเรามีบ้านอยู่มีที่พักเหน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานนะเราก็มาทำกรรมฐานของเราจิตใจได้แรงชุ่มชื่นเบิกบานนะนี่งานที่หนึ่งนะงานที่สองก็สอนแทบทุกวันเลยต้องสอนอีกหรือเปล่าเอาอีกว่าโลภมาก ตอนแล้วสอนอีกนะจะฝึกให้เกิดปัญญาอันแรกฝึกให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวอันที่สองฝึกให้จิตมีปัญญาจะฝึกให้จิตมีปัญญาก็าต้องไม่สุดตรงไปสองข้างะข้างเผลอลืมกายลืมใจกับข้างบังคับกายบังคับใจลืมกายลืมใจก็สุดตรงไปข้างย่อหย่อน บังคับกายบังคับใจแล้วสุดโงมาข้างตึงเครียดย่อหย่อนไปตึงเครียดไปไม่เห็นความจริงต้องใช้ใจที่สบายๆเราะเราต้องฝึกจนใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสบายๆวิธีที่ให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสบายๆนะให้คอยรู้ทันใจที่มันไหลไปใจมันไหลมันเคลื่อนเราคอยรู้อี่าแต่เดิมเราทําสมาธิพักผ่อนเนี่ยเราน้อมจิตที่มีความสุขไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุข เราได้สมาธิชนิดสงบนี่ถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องมาปรับวิธีนิดนึงไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ที่มีความสุขละแต่เราทํากรรมฐานอย่างเดิมนะใช้อารมณ์ที่มีความสุขอันเดิมนะแต่ไม่น้อมจิตเข้าไปถ้าจิตมันน้อมเข้าไปหาอารมณ์นะให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่อารมณนะ์ละถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา ถ้าเราทําความมัธฐานสัอย่างหนึ่งที่สบายๆแล้วเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาไม่ได้น้อมจิตไปหาอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะแค่รู้ว่าจิตไหลไปไหลามาจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอันตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งนี้พอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งพอได้จิตเป็นผู้รู้แล้วบางคนรักษาตัวจิตผู้รู้นี้ประคองตัวผู้รู้ไว้คงที่เลยนะแล้วก็บอกว่าจะเจริญปัญญา เห็นรูปประธรรมเห็นนามประธรรมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจิตคงที่ตลอดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะตัวรู้เองก็ต้องไม่รักษาให้คงที่ให้เป็นธรรมชาตนะิใจไหลไปแล้วเราก็รู้ตรงที่รู้ทันใจที่ไหลไปได้ตัวรู้ขึ้นมาช่วขณะหนึ่งเดี๋ยวคิดเรื่องอื่นใจไหลไปอีกรู้สึกอีกก็จิตร่างมั่นขึ้นอีกขณะหนึ่งนะอีกชั่วคราวจริงมันตั้งทีละเจขณะเจขณะนะมันแป๊บขึ้นมามนสั้นๆ หรือจิตไปดูนะจิตไปดูรู้ทันว่าจิตไหลไปดูไม่จะตั้งมั่นขึ้นชั่วชั่วคราวชั่วขณะนะเอาทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างนี้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ดีกว่ากลัวไหลแล้วรักษานะตัวนี้อันตรายมากเลยนะปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะกลัวจิตจะไหลไปก็รักษาจิตเอาไว้เฉยเฉยจิตจะทื่อๆอยู่นะเราบอกว่าจ ะ, จะเจริญปัญญาเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งร่างกายนอน นะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายสุขร่างกายทุกเ่ยนะเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนะั่นหรือเห็นกระทั่งกิเลสนะเห็นรลภโกรดหลองเกิดขึ้นดับไปแต่อตัวรู้เนี่ยมันคงที่อย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาหมดเลยแต่จิตนี่เที่ยงนะจิตเป็นนิจจังมันเที่ยง แล้วมันก็มีความสุขนะเป็นผู้รู้สุขอยู่นั่นแหละแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้กลายเป็นอัตตาซะอีกนะแทนที่จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเราประคองตัวรู้ไว้เนี่ยตัวรู้จะกลายเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปงั้นอย่าไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ตัวผู้รู้เกิดได้ดับได้เช่นเดียวกับสภาวธรรมอย่างอื่นนั่นเองเท่าเทียมกันหลวงปู่ดูลเคยสอนนะบอกเมื่อไร ที่เห็นจิตนะกับสภาพที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะะะนั้นจะหลุดพ้นง่ายๆเลยนะถ้าเราจิตก็เกิดดับใช่ไหมอารมณ์ที่แวดล้อมอยู่ก็เกิดดับเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันได้นะโอกาสที่มันเป็นอันเดียวกันได้แต่ถ้ารักษาจิตคงที่อยู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโลกธาตุหรือร่างกายจิตใจอย่างอื่นๆความรู้สึกอื่นเกิดดับแต่ตัวจิตผู้รู้เที่ยง ไม่มีทางมันรั่วอะไรหรอกนะี่ตายไปไปไปพรมมาโลกนะไปเป็นพฟมดีไม่ดีโดนวางระเบิดอีกลำบากนะหนีก็ไม่ได้นะเพาต้องนั่งอยู่เฉยๆหนีก็ไม่ทันนะอย่าหัวร้อนะองค์นี้ขลังนะโดนเล่นงานมาหลายรอบแล้วเห็นไหมแค่หลวงพ่อขู่นะบางคนใจฝ่อเลยรู้สึกไหมงมงายนะ <c oughs> ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะชาวพุทธเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนะทวดามีไหมมีเทวดาช่วยเราได้ไหมได้แต่ไม่เกิดกรรมนะงนั้นเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมนีตัวใหญ่ที่สุดเลยเรื่องของตัวเราต้องทำด้วยตัวเราเองเนี่เรามาฝึกนะทำกรรมฐานอันเดียวกับที่เคยทำแล้วสงบนะแต่แทนที่จะน้อมจิตให้ไปอยู่กับความสงบรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป เราจะได้ตัวรู้พอได้ตัวรู้แล้วเนี่ยไม่รักษาตัวรู้ให้นิ่งปล่อยตัวรู้ให้เกิดดับตามธรรมชาติแต่ในขณะที่รู้ขึ้นมาเนี่ยระลึกมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายรู้ใจของเรานี้เราก็จะได้เห็นความจริงได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะมีความทุกขบีบคั้นอยู่ตลอดแท้จริงร่างกายของเราทุกคนนะมันถูกความทุกขบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่เราละเลยเราไม่สนใจ ลองหายใจเข้ายาวๆหี่ทุกข์้หมก็ทุกข์นะหายใจออกยาวๆก็ทุกข์นี่มันทุกข์พอหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็หายใจออกพอหายใจออกแล้วทุกข์เราก็หายใจเข้าเรานั่งแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราไม่ได้รู้เลยว่ามันทุกข์เพราเราเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนการหายใจขยับเพื่อย่นเคลื่อนไหวไปปิดบังความทุกข์ไว้หมดเลยนี่ถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายได้่อยๆร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์ ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอนะไรธาตุมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราไม่มีตัวเรานีไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่วัตถุที่ยืมโลกมาใช้เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคืนเนี่ถ้าใจมันดูมีสตินะรู้ลงในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ได้เห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา ถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติระลึกรู้นามธรรมก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงความดีความชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงหรือความดีทั้งหลายเนี่ยเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขตลอดเวลามันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังจะทุกข์มีความสุขมาแล้วสั่งให้ความสุขอยู่นานๆก็ไม่อยู่ ความสุขหายไปสั่งให้ความสุขกลับมาก็ไม่มานะความทุกข์ยังไม่มาสั่งว่าอย่ามาแป๊บเดียวก็มาแล้วเนะี่ยดูลงไปดูของจริงลงไปนะมีแต่ของสั่งไม่ได้มีแต่ของชั่วคราวดูรูปธรรมเนี่ยตัวที่เห็นชัดได้ง่ายคือตัวทุกเนกีกาอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าดูนา ม, มาทำเนี่ยตัวที่เห็นได้ง่ายนัอนิจจังกับอนัตต า, านิจจังเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็วความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับรวดเร็ว สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วสั่งไม่ได้เนี่ยอนัตตาเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะถ้าใจเราไม่ไปติดเพ่งอยู่กับที่นิ่งๆหรือไปรักษาตัวรู้ไว้การที่จะไปเพ่งอารมณ์นะเช่นรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ตัวจิตผู้รู้เพ่งจิตผู้รู้ก็เพ่งเหมือนกันแหละติดสมถะเหมือนกันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะ งั้นบางคนไม่เพ่งอันอื่นแล้วมาเพ่งผู้รู้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยที่หลวงพ่อจําชี้จำชัยตัวนี้นะเพราะจากประสบการณ์หลวงพ่อเคยเพ่งตัวผู้รู้แล้วแก้กันเป็นปีเลยจิตมันชินที่จะเพ่งผู้รู้นะพอคิดถึงปฏิบัติปุ๊บเลยนิ่งเลยแก้กันนานเลยหลวงพ่พอเขาภาวนากับหลวงปู่ดุลนะแล้วก็หลวงปู่ดุลไม่อยู่ละก็ไปอยู่วัดสาขาวันหนึ่งพอนาอยู่ จิตเราเคลื่อนไปดูอารมณ์ภายในหลวงพ่อหลวงพ่อคืนนู้นสิหลวงปู่ดูลย์เองี่หลวงพ่อคืนท่านก็บอกพระโมทต์ไปดูอะไรนะั่นจิตมันอยู่ทางนี้ต่างหากแทนที่จะบอกเราว่าจิตไหลลงไปแล้วเห็นไหมไม่บอกอย่างนี้นะไปดูอะไรตัวนะั้นจิตมันอยู่ตรงนี้ต่างหากเนี่ยเราก็อ๋อดูจิตต้องดูตัวนี้ได้เคล็ดลับวิชาไม้ตายแล้วอันนี้คืนนี้นะเข้ากุฏิเลย กุฏิที่ท่านเลือกให้อยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกุฏิท่านเลยหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์รับเวลาไปเนะ่ยท่านจะให้อยู่ใกล้ๆท่านนะะปรากฏว่าพอเข้ากุฏิได้คืนนี้จะพอหนักโต้รุ่งเลยะจับตัวนี้ปุ๊บจับไปจับไปนะรู้แลผิดเลยมันเที่ยงนะก็เฉลียวใจว้าจิตมันเที่ยงทาไมจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงจิตนี้สุข ไม่เชื่ว่ามันทุกข์ทำไมยิ่งดูยิ่งสุขจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้วะคงที่อย่างเงี้ยสั่งให้คงที่อยู่อย่างเงี้ยได้เลยนะผิดแล้วละ่ะผิดแล้วเลิกเลิกเลิกไม่หายนะมันจะจับแน่นเลยคราวนี้โห้ยโกรธหลวเพ่อคืนมากเลยรอให้เช้ากว่า น, นี้จะไปเล่นงานนะกายอย่างนี้เลยนะร้ายมากนะหลวงพ่อออนะพอเช้าให้มาเปิดประตูกุฏิโครมออกไป ก่าว่าจะไปเรียกท่านมาเอาเรื่องสอนเราไม่ดีท่านก็เก่งนะหลวงพ่อผลักประตูโครมท่านก็โครมเหมือนกันพร้อมๆกันเรากําลังอ้าปากจะว่าท่านนะท่านชี้หน้าก่อนพระโมทพอนามไม่ใช่เรื่องเลยอ้าวไหนเป็นงั้นวะบอกหลวงพ่ออะไรมาสอนผมนะให้มาจับตัวนี้บอกใครบอกให้มาจับตัวนี้ห่ะเราบอกแค่ว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่จิตจิตมันอยู่ทางนี้ไม่ได้บอกให้มาจับจิตสักหน่อยอนะ เนี่ยจะบอกว่าอย่าไปจับออารมณ์ที่จิตเราถลําลงไปเพราะอ้าวเราไม่พูดอย่างนั้นอ่ะะคราวนี้แก้เป็นปีเลยนะเพราะฉะั้นหลวงฟ้าเนีห่วงพวกเรามากเลยว่าอย่าไปจับตัวรู้ถ้าไปจับจิตผู้รู้ผู้รู้คงที่นะั้นเป็นกรรมฐานที่แก้ยากนะตัวอื่นนี่แก้ง่ายตัวนี้แก้ยากเพราะถ้าติดนี่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมิปัสนาตายไปไปเป็นโฟมอีกลําบากเป็นโฟมนานนะอยุยืนมากเลยลําบาก งั้นเราไม่ประครองตัวรู้ใจไหลแล้วรู้เราได้รู้หนึ่งขณะแค่นี้พอละแล้วขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมานะถ้าสติระลึกรู้กายมันก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้ก็นํามาทําความรู้สึกทั้งหลายก็จะเห็นก็รู้สึกเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่เราอีกเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆดูไปเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะแต่บ่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยนะแต่บ่อยๆเหมือนน้าหยดใส่ตุ่มทีละหยดนะค่อยๆหยดไปเรื่อยๆ อย่านานๆหยดทีเ็าลิกกันนะหยดบ่อยๆถ้านานหดทีน้ํเราเหย่มากกว่าน้ำที่หยดลงไปนึกว่ไม่เต็มตุ่มสักทีแล้วเราคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกบ่อยๆแต่อย่านั่งเฝ้านะโดยเฝ้าการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยอย่าเฝ้าดูกายก็ไม่เฝ้านะไม่ใช่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจทื่อๆจะได้อะไรก็ได้กายกรรมมันสิเนี่ยกายกรรมใช่ไหม เออไม่ใช่มโนกรรมไม่ใช่วจีกรรมได้อะไรได้กายกรรมถ้าดูเป็นนะดูด้วยใจที่ถูกเนะี่ยในเวลาไม่นานนะควรจะได้ธรรมะบ้างสมัยพุทธกาลท่านวัแค่เจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปนะีถ้าไม่ใช่พระลราหารันก็อนกขาถ้าทำถูกของเราเนะี่ยเจ็วันเจ็เดือนเจ็ดปีโสดาได้ก็บุญแล้วละ่ะยินทรีพวกเราอ่อนนะ พวกเราปากแข็งอย่างเดียวแต่อินซีออนงั้นต้องอดทนนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสั้นนิดเดียวแต่อย่าประคองไว้แค่รู้สึกใช้คำที่พอดีพอดีก็แค่วัแค่รู้สึกอย่าจ้องอย่าเผลออย่าจ้องแค่รู้สึกรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจถ้าทำได้อย่างหลวงพ่อบอกนะใช้เวลาไม่นาน แล้วคงจะได้อะไรบ้างในชีวิตนี้ยังต่ำควรจะได้โสดาบันนะถ้าโสดาบันไม่ยากเกินไปยิ่งแต่พวกเราต้องรักษาคุณสมบัติของพระโสดาบันให้ได้ก่อนคือคุณสมบัติข้อหนึ่งคือรักษาศีลต้องมีศีลห้านะรักษาศีลห้าไว้นี่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยเรามีศีลห้าแล้วเนี่ยเราไม่งมงายเราไม่งมงาย ใจเราปฏิบัติธรรมนี่เราเรียนรู้รูปนามกายใจของเราไปไม่คิดหรอกว่าจะมีทางลัดทางวิเศษจะมีใครมาช่วยเราในนั้นเรียกว่าศีลรัตตประมาณอย่าไปโง่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนรู้ของตัวเองไปนะอย่ามวัวแต่คิดมากใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนะอย่ามวัวแต่ลังเลสงสยัยพระพุทธเจ้าสอนถูกไหมธรรมะอย่างนี้มีจริงไหมครูบาอาจารย์สอนถูกไหมพระสงฆ์สอนถูกรึเปล่าคิดมาก ดูรูปดูนามไปเลยนะสงสัยรว่าสงสัยนะเนี่ยดูสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันไปนะถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะเราก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเป็นระยะระยะไปพระโสดาบันเนี่ยท่านรู้ความจริงกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่ยเราดูคุณสมบัติของท่านนะแล้วเราก็มาพาวนาตามแนวของท่านไปเดี๋ยวเราก็ได้ก็จะได้อย่างท่านท่านถือศีลห้าท่านมีศี 5, ลห้าเราก็ถือศีลนหนะ้า ท่านเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเราก็คอยมาดูซิกายนี้เป็นเราจริงเปล่าใจเป็นเราไหมหรือว่าไม่เป็นดูบ่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นตรงกับท่านจนได้เพราะว่าความจริงมันไม่มีเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าไปคิดเอาเองนะไม่ไม่หลังเลสงสัยในพรรัลตนารายัยไม่ต้องไปคิดมากนะดูของเรานี่แหละขยันดูไปบนะ่อยๆเดี๋ยววัาหนึ่งเข้าใจด้วยตัวเองไม่ได้เข้าใจเพราะเชื่อใครนะ เข้าใจเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองศรัทธาเนี่ยจะแน่นแฟ้นเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงนะพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระใจเหล่นี้มันเดินเข้าไปถูกต้องอย่างเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมชีวิตจิตใจเปลี่ยนใครรู้สึกบ้างรู้สึกไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเรามันมีความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัตินะคิดอย่างเดียวใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เออปีหน้ามือก็ใช่ไม่ใช่อยู่นี่แหละนะ ถ้าดูดูไปเดือนเดียวมันก็ใช่แล้วล่ะเดือนสองเดือนมันก็ใช่แล้วล่ะยากอะไรนักหนาเนี่ยค่อยๆฝึกของเรานะในวันหนึ่งเราจะได้ของดีของพิเศษชาตินี้ยังต่ําๆควรจะได้โสดาบันถ้าไม่ได้เนี่ยเสี่ยงมากแล้วนะเสี่ยงมากแล้วเราไม่รู้ว่าชาติต่อไปเราจะเจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้บางประเทศเขาไม่มีอย่างเมืองจีนเขาไม่มีฟุดแบบของเราเนี่ยเขา้า usra รวมกลุ่มกันมาเรียนนะ เข้าคอสเรียนอยู่ที่วัดของพ่อสิบวันแล้วแล้วก็น่าทึ่งมากเลยเพะนาเก่งกว่าคนไทยจำนวนมากเขาเอาจริงอ่ะคนไทยก็าม่แต่เล่นเล่นเล่นไปเรื่อยเห็นแล้วอยากเบิร์จจะโลกนะ <c oughs> ทำไมมันไม่ขยันภาวนานถ้าฝึกนะไม่นานใช้เวลาไม่นานชีวิติใจเปลี่ยนเราจะรู้ว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆ ร, งรงนะการจัดสรุของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์จริงๆ เนี่ยถ้าเราจะรู้สึกอย่างนั้นอพอสมควรแก่เวลาส่งกันบ้านได้กราบนะราชการพ่อค่ะเพ่งไหมขนาดเนี้ย จ, จิตเป็นธรรมชาติหรือจิตผิดธรรมชาติตื่นเต้นไหมเขาโอตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเป็นธรรมชาตินะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่ตื่นเต้นเป็นปกติแต่ไม่อยากตื่นเต้นเนี่ยประคองจิตไว้ในเนี้ยผิดธรรมชาติลนะ เพราะฉะนั้นขณะนี้จิตไม่ปกตินะดูออกไหมมันแข็งไปเนี่ยหัวเราก็อย่างงี้นะรู้สึกไหมมันติดอัดวิธีดูง่ายๆนะว่าจิตเราถูกหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แต่จิตมันแน่นๆนะแสดงว่ามีการแทรกแสงแน่นอ น, นะเป็นวิธีที่ดูง่ายๆแล้วห้ามได้ไหมการแทรกแสงห้ามไม่ได้เห็นไหมจิตมันแทรกแสงของมันเอง ไหนๆมันจะแน่นแล้วนะเดินปัญญามาเลยเออเองแน่นได้เองแฮะแปลกข้าไม่ได้สั่งให้แน่นเลยเองแน่นเองเนี่ยดูมันไปอ้าวว่ามาก็หนูฟังฟัง youtube จากหลวงพ่อนะฮะแต่ว่าคือเดิมเนี่ยเคยเริ่มปฏิบัติมาประมาณสักสิบเดือนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยคือดสอนแบบ เดินจงกร ม, ไมอไม่ต้องบรนไดหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้เห็นหน้าหลวงพ่อก็รู้แล้วฝึก อ, อะไร <c oughs> แล้วก็ทีนี้มาฟังยูทูบหลวงพ่อเนี่ยคือการเดินจงกรมคือเดินไปเรื่อยๆจงกรมแปลว่าอะไรถูกไหมจงกรมไม่ได้แปลว่าเดินย่องย่องนะจงกรมแปลว่าก้าวไปจังขมะก้าวไปเพราะนทุกก้าวที่เราเดินนั้นกระทั่งเดินในศูนย์การค้า เดินด้วยความมีสติเดินจงกรมอยู่นะปฏิบัติธรรมอยู่งั้นเดินแล้วบังคับใจตัวเองเคร่งเครียดอยู่ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าทรมานตัวเองอยู่ใช่ค่ะทุกวันนี้เป็นเป็นแบบนั้นนั่นแหละเราต้องรับี่บากแล้วละ่ะเพราะเราไปฝึกเจนจิตมันชินที่หลวงพ่อบอกไงถ้าเราจิตฝึกจิตเจนชินแล้วที่มันล็อกตัวนิ่งๆเนี่ยเราต้องทนเป็นปีเลยนะแต่ว่ามันก็มไม่เที่ยงเหมือนกันนะสุดท้ายมันก็คลายได้เราอย่าไปทําอีกก็แล้วกัน แก้ไแก้ไม่ได้หรอกจิตมันชินนะแต่ว่าพผ่านวันเวลาไปมันก็คลายออกมันไม่เที่ยงนะมันเกิดจากโลภโลภคืออยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้สึกตัวตลอดเวลานะเราไม่เห็นว่าใจโลภ ก, ก็เกิดการกระทําคือการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเกิดวิบาก ค, คือความทุกข์ความแน่นนะมีกิเลสมีกรรมมีวิบาก วัฏฏะตรวัฏฏะเนี่ยยังไงก็ห้ามไม่ได้ต่อไปนี้ถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากถ้าเราตัดสติวงจรที่กิเลสนะตัดวงจรเนี่ยตัดที่ติงกิเลสเนี่ยถึงจะตัดได้เมื่อใจมันอยากเรารู้ว่าอยากการที่จะจงใจบังคับกายบังคับใจก็ไม่เกิดนะต่อไปไอ้ที่แน่นอยู่ก็จะหายไปเองเพราะว่ามันหมดอิทธิพลของกรรมเก่า มีมีกรรมเก่าก็คือเราไปทำกรรมฐานมานะวิบากคือมันแน่นมันอึดอัดอิทธิพลตัวนี้ยังไม่หมดมันยังแน่นอยู่อีกชั่วคราวนะเราอย่าไปทำกรรมใหม่ที่ซ้ำแบบนั้นอีกคือบังคับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเรารู้ทันตั้งแต่กิเลสอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้บังคับกายบังคับใจ มันไม่เติมเชื้อของความอึดอัดลงไปในใจอีกไม่งั้นจะแน่นอยู่งั้นทั้งชาตินะแล้วก็บอกนี่แหละเห็นทุกข์เพราะว่าทุกอย่างนี้ทุกข์สร้างขึ้นเองไม่ได้รู้ทุกข์จริงนะไอ้ตัวนี้เห็นทุกข์อะไรรู้ไหมทุกขเวทนามันไม่ใช่ทุกขสัจจะทุกขสัจจะคือรูปนามคือตัวทุกขที่ท่านบอกว่าให้รู้ทุกขรู้ทุกขมันมุ่งมาที่ทุกขสัจจะอย่างเงี้ยรู้อริยสัจนะทุกขให้รู้สมุทัยให้ละ งั้นตัวที่ต้องรู้คือทุกขสัจจะคือรู้รูปรู้นามไม่ใช่รู้ความทุกงั้นไปบังคับตัวเองอย่างเครียดนะแล้วทุกตลอดแล้วบอกเห็นทุกนี่ไม่ใช่เห็นทุกขสัจจะนี่เห็นทุกขเวทนาเท่านั้นเองก็อย่างที่ของพ่อบอกว่าเวลาจะมีสมาธิเห็นใจท้อแท้ไหมเคยเคยเคยท้อเหมือนกันค่ะมีระย้ะหนึ่งอะค่ะของพ่อเวลานั่งสมาธิพอหลับตาปุ๊บแม่มันจะปวดก็ปวดสิ บ, บ, บ, บังคับเอานะบังคับแต่ก็ก็มีความรู้สึกคือ สบายใจทุกครั้งที่ที่ถึงวันเนี้ยคือหนูจะไปตลาดเนี่ยวันเว้นวันเพราะวันที่หนูหยุดเนี่ยคือหนูก็พรพวกนี้เราก็จะได้แบบเข้าห้องพักได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรอมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีควถ้าเป็น<อ>หลวงพ่อเลยพรุ่งนี้เราจะได้ไปตลาด <c oughs> เราจะไปได้เดินที่ตลาดเราได้ไปตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเราจะมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆ แต่เวลาไปทํางานมันทําไม่ได้มอหนูสังเกต น, นะหนูสังเกตที่ตรงนี้เลยนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยนะไม่เป็นปฏิบัติกั บ, กบสิ่งแวดล้อมหรอกถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะปฏิบัตินะถ้าพลาดจากห้องพระของเราแล้วนะต้องไปทํางานต้องไปทําตลาดไปซื้อของอะไรเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติเราไม่เข้าใจคําว่าปฏิบัติแล้วละเราไปรับชอบอันนึงเกลียดอันหนึ่งตลอดเวลา การปฏิบัตินะ่ะคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปตลาดมีรูปนามไหมมีแล้วทำไมไม่ชอบบอกปฏิบัติไม่ได้เราไปทำงานมีรูปนามไหมก็มีใช่ไหมทำไมรูปนามมีเฉพาะตอนอยู่ในห้องพระตัวนี้เราเข้าใจผิดแล้วละเราเลอยติดคนที่ติดความสงบเนี่ยนะ่อเป็นคนที่หนีโลกพอติดความสงบแล้วจะไม่อยากยุ่งกับโลกเลยอยากอยู่ของเราคนเดียวเงียบ ถ้าได้อยู่คนเดียวเงียบๆแล้วมีความสุขถ้าต้องออกมากระทบกับคนอื่นแล้วเครียดไปหมดเลยแค่คิดว่าจะต้องไปกระทบคนอื่นก็เครียดแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าติดสมถะนะงั้นหนูต้องแก้แล้วล่ะออกมาอยู่กับโลกนี่อย่าหนีเข้าไปนะแล้วถือว่าต้องรู้วางใจให้ถูกอยู่กับโลกนี่แหละการปฏิบัติเพราะพระเจ้าสอนนะพิสูจนทั้งหลายเธอจงดูโลก อันวิจิตดุจราชรส่งของพระราชาที่คนเข่าพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องเพราะเราไปอยู่กับมันอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นความจริงของโลกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราเจริญปัญญาอยู่นะนั่นแหละดีแล้วอย่างเรื่องการนั่งสมาธิี่ะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเวลานั่งอะค่ะรู้สึกสมาธิที่ได้คือมันแข็ ง, งนั่นแหละไม่ดีอย่านั่งนั่งผิด แล้วก็เวลานั่งไปคือหนูจะนั่งก็ค่อนข้างจะนานนะคะนั่งไปแล้วก็จะปวดปวดก็คือรู้ว่าปวดถ้าจิตส่งออกอย่างเงี้ยคือหนูเคยเรียนมาก็คือว่ารู้หนอคิดหนอไม่เที่ยงหนออก็คือตรงเนี้ยว่าตรงนี้มันถูกต้องไหมคะที่เวลาที่จิตส่งออกไปคิดแล้วเราก็คือบอกจิตว่าคิดไปจิตส่งออกไปคิดเนี่ยสังเกตไหมก่อนที่เราจะพูดคําว่าคิดหนอเนี่ยเรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดนึกออกไหม บ้้างไคิดหนอเนี่ยเกิดทีหลังรู้สึกไหมรู้ก่อนว่าหนีไปคิดแล้วก็มีคําว่าคิดหนอขึ้นมาคตรงที่ถูกอ่ะคือตรงที่รู้สภาวะตรงที่คิดหนอเนี่ยนะจิตตกจากสภาวะอีกครั้งหนึ่งแล้วตกครั้งใหม่ละคนละขณะกันละเพราะนั้นขณะที่รู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นถูกเช่นจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดตรงที่เอ้ยคิดหนอคิดหนอนี่คิดครั้งใหม่ล้วคิดหนอแปลว่าอะไร ให้คิดครั้งที่สองเช็คหนอสาสีหลงแล้วนะหลงคิดแล้วให้คนอื่นบ้างแก้สมาธินะี่ใช้เวลาเยอะแก้ยากเพราะอะไรเพราะมันดีมันไม่ใช่ชั่วถ้าขี้โมโหโท่โศอะไรนี่แก้ง่ายติดดีแก้ยากติดชั่วแก้แก้ง่ายง่ายกว่านะสำหรับคนดีนะถ้าคนชั่วนี่ติดชั่วแล้วแก้ยาก ถ้าคนดีนะ่ะติดดีแล้วแก้ยากอ้าวกราบในมรสการค่ะแป๊บหนึ่งพอซัดต่อรู้สึกไหมพอหยุดพูดเท่านะั้นเข้าที่เรียบร้อยเลย <c oughs> นะให้มนหลดออกมาเออต้องอย่างนี้นะอย่างนี้มันค่อยเป็นผู้เป็นคนปกติเลยนะไม่งั้นอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะอ้ะาค่ะกราบในมรสการค่ะ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางวันก็หนีไปฟุ้งค่ะคแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาอยู่กับคําบริกรรมค่ะหรือจะบริกรรทั้งวันแล้วก็หนีหนีไปคิดบ้างหลงบ้างนะค ะ, ะเมื่อไม่นานมานี้ไปฝังเข็มค่ะอตอนฝังเข็มแล้วก็บริกรรมรู้สึกว่าเวลาที่กายหรือว่าเราอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องเเกรงว่าจะได้รับอันตรายเนี่ยเราจะ จใจเราจะเข้มแข็งหันมาบริกรรมค่ะนี่พอบริกรรมแล้วเห็นว่าความเจ็บมันอยู่ที่กายค่ะมันวิ่งมาไม่ถึงใจทีนี้เมื่อไหร่ก็ตาม <Okay. S 1> พอเราอยากเราเกิดความอยากหลงไปคิดอยากให้หมอหยุดเราจะทุกข์พอมาบริกรรมมันก็ไปเจ็บที่กายมันมาไม่ถึงใจเรียนถามหลวงพ่อว่า มันเป็นผลของสมาธิหรือเปล่าคะสมาธินั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรให้ให้ค่อยสังเกตไปว่ากายก็อันหนึ่งความเจ็บก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะแล้วก็เราไม่ได้จงใจถ้าจงใจให้แยกกันเนี่ยเป็นสมาธิแต่ถ้ามันแยกกันเองเนี่ยใช้ได้เป็นปัญญาะของคุณมันเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะขันมันแยกได้แล้วขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้ดูขันทํางานไปสบายสบาย ก็ใช้บริกรรมแบบนี้นะคะหลวงพ่อเพะเวลา บ, บริกรรมเนี่ยนะไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบนะแต่บริกรรมเพื่อจะรู้ทันจิตถ้าตั้งหลักตัวนี้ถูกการบริกรรมจะถูกเช่นเราพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดเอารู้อย่างนี้ใช้ได้ถ้าพุทโธพุทโธห้ามไปหนีนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ามไปคิดเรืองอนนะอย่างนี้ไม่ถูกบางทีทําบ้างเพราะว่าฟุ้งจนเหลือ ถ้าฟุ้งซ่านมากก็พุทโธทีีแล้วก็ทําสมถะเป็นสมถะแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งมากเราก็พุทโธเล่นๆพุทโธแล้วจิตหนีไม่คิดเอารู้ทันพุทโธแล้วจิตหนีไม่คิดรู้ทันอย่างนั้นจะได้เดินปัญญาได้ค่ะก็ะะถ้าอย่างนั้นก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็อันที่หลวงพ่อบอกบางครั้งมันก็เดินปัญญา<ช>เองถูกต้องไหมคะใช่มันก็จะเห็นขันแยก้งได้แต่ว่าเราก็พอเห็นขันแยกแล้วเราก็ไม่จงใจรักษานะค่ะ สังเกตเหมือนกันค่ะสังเกตเหมือนกันว่าพอเห็นแย่ปุ๊บก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราคิดไปหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันก็ตรงนั้นก็รู้ใหม่นะนี่ขนาดนั้นคือฟุ้งซ่านแล้วขนาดนั้นฟุ้งซ่านก็ปฏิบัติอย่างนี้นะคะคุณพ่อมัสการมัสการครับหลวงพ่ออ๋อพูดไทยเจ๋งเลยผมได้โอกาสส่งกันป้านประมาณหกเดือนที่แล้วที่สาราลุกชิ้นนะครับ แล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าผมแยกขันได้แล้วเราก็ทำสมาธิสอย่างได้สมถะกับวิปัสสนานะครับเมื่อก่อนผมฝึกสมถะอย่างเดียวเยอะเลยครับแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ า, าห้ามถึงวิปัสสนาเพราะว่าผมฝึกผมฝึกสมถะก่อนเยอะแล้วก็เปลี่ยนฝึกวิปัสสนาผมถึงสมถะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าห้ามถึงสมถะแล้วก็ผม อยากถามว่าการปฏิบัติของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมถะก็ถูกหรือเปล่าครับถูกปัญญามันก็เดินได้นะเห็นไม่เราเห็นความรู้สึกข้างในมันเปลี่ยนแปลงได้เองนะะเราไม่ได้ไปจ้องมันนะเรารู้สึกสบายๆเห็นมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ยเดินปัญญาอยู่นะบางช่วงมันไม่ไปดูเกิดดับ ไม่ไปดูความเปลี่ยนแปลงไหมันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆขณะ น, นั้นจิตพลิกมาเป็นสมาธิมาทมาําสมถะยะพลิกไปพลิกมานะระหว่างสมถะกวิปัสสนาอย่าตอนเนี้ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมจิตตรงนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงละนะอย่างเนี้ยเราบังคับเนีย่ยไปบังคับมันเขานิ่งของเขาเราก็รู้ทันว่าเขานิ่งเขาฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าเขาฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเยอะเหรอครับฟุ้งซ่านไม่เป็นไร ฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยข้าบเส้นกันนิดเดียวนะม่ใช่เจียงคนที่ไม่บอกว่าจิตไม่ฟุ้งเลยนิ่งลูกเดียวพวกนี้ไม่เดินปัญญาครับแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันทํางานไปนะเรามีสติเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่านั้นเดินปัญญาอยู่เขาคุณเดินปัญญาได้อยู่นะมรส ก, การค่ะหลวงพ่อคือหนูเคยไปปฏิบัติฟังธรรมที่สวนสันติธรรมตอนนั้นคือเกิดความทุกข์ตัวเองมาก ในเรื่องของคุณแม่และพี่สาวซึ่งวันนี้ก็พามาทั้งสองคนคือวันนี้จะเรียนถามของคุณแม่ค่ะคือว่าคุณแม่จะเป็นทุกข์มากแล้วลราก็พยายามที่จะอให้ให้ใหทุกข์กายหรืทุกข์ใจทั้งน่าจะใจอ่ะค่ะก็เลยเปิดซีดีหลวงพ่อให้ฟังแล้วก็ก็คือแกจะฟังได้บางไม่ได้บางสเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวอย่าค า, า, าดหวังเยอ ะ, ะนะคนแรกที่เราต้องจัดการคือเราเองเราต้องไม่ทุกน ะ, ะถ้าใจเราสบายพลังที่ดีมันจะแผ่ออกไปคลายๆสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แม่ถ้าใจเราก็ทุกข์ด้วยเครียดด้วยนะเครียดเจอเครียดนะไปกันใหญ่ะนะนั้นเรารักษาใจของเราไปส่องแม่เนี่ยเราก็ อย่างพูดได้ไหมรู้เรื่องดไหดะฟังรู้เรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไงรู้ร่อค่างั้นก็อาจารยบอกค่ะทุกใจเลยจะเดี<อ>๋ยวิทุกมันอายุเยอะแล้วไปทุกมันสบายใจไว้ <c oughs> คิดถึงเรื่องดีๆทุกใจมันเกิดจะคิดเรื่องไม่ดีพยายามคิดเรื่องดีๆไว้คิดเรื่องมาฟังเทศ คิดถึงหน้าหลวงพ่อทั้งวันเลยเอให้ได้นะคือพยายามคิดอะไรที่สบายใจไว้คิดทางดีคิดถึงบุญกุศลที่เคยทําคิดเรื่องนี้บ่อยๆะถ้าไม่งั้นใจมันจะใจมันจะไปคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีมันทุกข์อย่างบางทีก็คิดลาคาญตัวเองร่างกายไม่แข็งแรงคิดลาคาญลูกหลานอะไรอย่างเี้ยนะถ้าเราคิดอย่างนั้นใจก็ทุกข์มาก เรื่องอะไรเราต้องทุกข์ร่างกาไม่สบายร่างกายไม่สบายเป็นธรรมดาเป็นทุกคนแหละโยมยังเก่งนะอยู่มาได้จนป่านนี้มีบุญมากนะคนอื่นเ็าเด็กกว่านี้เขาตายไปเยอะแล้ว <c oughs> ต้องถือว่าเรามีบุญละเราอยู่มาได้นานบุญรักษารักษาใจนะรักษาใจให้เป็นบุญเรื่อยๆคิดถึงความดีบ่อยๆ แล้วไปฝึกเอานะกับนักพิการหลวงพ่อครับหลวงพ่อผมคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมไม่มีปัญหาเมื่อคราวที่อยู่บ้านจิจสบายแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วยอมเห็นไม้มตอนที่เราเราคิดเนี่ยนะเราลืมกายลืมใจของโยมนะหลวงพ่อให้กันบ้านเลยนะรู้สึกให้มากไม่งื้นใจมันจะไหลไปคิด คิดอดีตคิดอนาคตคิดศึกษาเปรียบเทียบไปเลยต่อไร น, นะคือเราใช้ปัญญาทางโลกมานานมันชินการจะศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้สึกเอาคอยรู้สึกอยู่กับกายรู้สึกอยู่กับใจใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันของของโยมเนี่ยจะมันช่างหนีคิดเป็นตัวหลักเลยตัวอื่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกผมรู้สว่าผม นีหนีนี่คิดบ่อยใชแ่แล้วแล้บอกรู้่านี่ยเ้องอย่างนั้นแหละหนีไม่คิดตลอด <c oughs> แต่โยมต้องคุยน้อยๆ น, นะเพราะตอนที่เราคุยสังเกตไหมมันต้องคิดใช่ไหม <c oughs> เราไม่คิดแล้วมันจะไปอินกับเรื่องที่คิดนะนะถ้าอย่ายอมมันเวลาของเรามีจํากัดนะเวลาเรามีจํากัดถ้าเรารู้สึกให้เยอะเราอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนานรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะเอาของดีให้ได้นะเป็นบ่วงอยู่ ผมใช้วิธีปฏิบัติเอมีมีสติในชีวิตประจำวันตื่นขึ้นมาก็รู้เวลาเดินนั่งร่างร่างกายเดินใจไปคนดูร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราอนะแต่ตรงนี้มันยังเจือการคิดนะมันยังเจือการคิดพิจารณาอยู่คือผมรู้ตัวขณะที่ผมเดินนะฮะยอมลองเดินได้ไหมลองเดินเดินดูหน่อย ผมก็เดินแบบแบบแบบธรรมดานี่ยแหละอืเดินธรรมดาแต่ก็พอโดยนพับ ก, ก็รู้เลยว่าเพราะว่ามันถูกคล้ายๆมันมีสติอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆรู้ถูกอย่างนั้นนะใจเขียนไหมมันมันเป็นพอเป็นผู้รู้มันก็เบิกบานขึ้นมาะใจไ ม, ม่อิสระขึ้นมาเนี่ยเราก็สะสมของเรานะเวลาเรก็รู้ไปบ่อยๆเห็นรู้เห็นนามทํางานไปเรื่อยๆอย่างนี้เราถูกแล้วใจถูกละ ถูกผิดอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กระบวน่าครับตั้งแต่ผมเอาละเอาละเอาละโยบสังเกตไหมมันหลงนี่มันห ล, ลงไปคิดก็ผมอยากจะถามเรียนหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติมาเนี่ยทั้งฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยทั้งอ่านหนังสือเนี่ยเี่ยตอนหลังนี้มันรู้สกว่ามันเข้าใจแล้วแม้แต่ฟังเทศั น, นี้ก็รู้สึกว่า มันเข้าใจมากกว่าตกากะกดเยอะเลยฮะเข้าใจเข้าใจมากถูกแล้วใจมันเปิดออกมาละอแล้วนะเข้าใจเรื่อสภาวะที่จิตมันเปิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วที่นี่ไอท้ที่การที่รู้ว่าการที่เราอยากจะรู้ว่ากายและใจเป็นของเราโดยจิตไม่ยอมรับเนี่ยผมอ่านอ่านดูแล้วมันมีหลายวิธีเลยนะฮะพ่อมีหลายวิธียัง อย่างพระพุทธเจ้าอ่าเนี่ยผมมา่งสูงหน่อยท่านก็บอกว่าไอ้กายใจเนี่ยไม่ไอ้ไอ้ไขันเราเนี่ยมันไม่ยองเราเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้อวอว่าขันยองเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเนี่ยท่านก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของพระเจ้า อ, อ, อคือวิธีนะโยมไม่ต้องกังวลอะจิตมันจะเลือกของมันเองนะ งั้นเราภาวนาเนี่ยเรารู้สภาวะลงปัจจุบันไปเห็นเกิดดับไปนี่แหละบางคนเห็นความไม่เที่ยงหลุดพ้นไปด้วยการเห็นความไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงก็ของมันเกิดดับบางคนหลุดพ้นไปด้วยการเห็นทุกข์ทาไมเป็นทุกข์ก็มันเกิดดับสิมันถึงทุกข์บางคนเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาทาไมถึงเป็นอนัตตาเอาของมันเกิดดับบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตา งั้นจุดสําคัญอยู่ที่เราเห็นสภาวะที่เกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละนะแล้วถึงจุดที่ปัญญามันจะเกิดเนี่ยมันจะเลือกของมันเองหรอว่ามันจะหลุดด้วยอานิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปเลือกแทนมันนะถ้าไปเลือกแทนมันไม่เกิดเลยอย่าที่ไปคิดนำนะอย่างเช่นดูดูดูทีวีนะก็เห็นมันจิตมันฟังห๋ยอจิตมันดูอะไรต่างเนี่ย เราเรารู้ตามที่ผมอ่านตามหนังสือที่อาจารย์ เ, เคยเทศนามานะฮะก็ดกูก็รู้งั้นแต่ว่าก็รู้ไปตามนั้นก็รู้สึกว่ามันก็เข้าใจนะแต่ว่าแต่เข้าใจ ร, รู้สึกว่าในที่สุดก็เข้าใจว่าเราจะมีปัญญาได้คือรู้ว่ า, ากายและใจนี่มันเป็นใจนี่เป็นจุดเชื่อสําสคัญที่สุด ใชการได้ใจถ้ารู้ว่าการได้ใจเป็นแต่รักแต่ก็รู้นะครับรู้รู้รอยู่แต่ ว, ว่าจิตยายามันยังไม่จิตยายามันยังไม่ยอมรับ <c oughs> จิตพยายามครับครับต้องพยายามต่อไป อ, อจนกว่าเขาจะพอ <c oughs> เมื่อเขาพอแล้วมันก็้คล้ายๆไอ้ลูกไก่มันเจาะเลือกไก่ออกมาเออฮะมันจอะนะ <c oughs> นะตอนนี้เริ่มเจอะหรือยังครับ อยากคิดเยอะคิดเยอะครับครับดีดีกว่าเก่าเยอะแล้วให้คนอื่นด้ายเขายอมภาวนานลดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกว่ามันตื่นมันเดินปัญญาได้แล้วรู้สึกว่าผมหลังนี้ผมผมอ่านหนังสือของหลวงพ่อนี่แทบจะทุกคืนมันที้ใครว่ามันเป็นเป็นงานหลักอ่ะเพราะว่าผมก็เกษียณมาตั้งสิบกว่าปีแล้วก็ขอ กลาวขอบคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้ชี้ทางสว่างเพราะว่าเอมันปลายของชีวิตที่ผมก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะฮะมันใกล้เวลาที่จะนั่นแต่ก็ยังดีที่ว่าได้หันมาหินสนสนใจธรรมะของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้สอนไปสเต็ปสเต็ปก็ก็เข้าใจก็รู้นะฮะ ร, รู้เข้าใจรู้ เพราะว่าหลงพระอุกเกิดอะไรต่าเนี่ยผมผมไม่รู้หรอกรู้จกักหลวงพ่อรู้เหมือนจะรู้ได้เป็นองค์องค์เดียวและองค์แรกนะคะบขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงกรับธรรมศครับธรรมศการหลวงพ่อค่ะที่ผ่านมานี้ก็จะตั้งใจประกอบอาชีพนะคะก็ะคื อ, อยังไม่ได้ปล่อยวางตรงที่จะ สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองอนะคะอืมเพิ่งจะเริ่ม<อ>งมาอาชีพมันก็ปฏิบัติไปได้นะเพิ่งจะเริ่มมาตั้งใจเอาเมื่อประมาณหปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ไม่สายไปหรอก ค, ความดีนะทําเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นแหละสังเกตดูนะชีวิตจิตใจของเรานะถ้าใจเราเค้าอยู่กับธรรมะเรื่อยๆใจมันค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นรู้สึกไหม แต่ยัค่อยเบาสบายมันคลายออกคลายออกดูไปเรื่อยดูความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้บ่อยๆตัวไหนเกิดบ่อยดู อ, อกไหมลรคปลดลงตัวไหนเกิดบ่อยน่าจะโลคอะคะเออนะให้รู้ทันอย่างนี้น ะ, ะโลคขึ้นมาก็รู้หายโลกก็รู้ ยังอยากที่จะไขว่คว้าในสิ่งที่ยังขาดหายไปที่ยังไม่มีอ่ะคะ่ะอย่าไปหาหานะโลกปล่อยวางได้เยอะแล้วค่ะก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อนะคะว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมถูกแล้วละ่ะต่อไปนี้นะถ้าใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะความอยากหายไปก็รู้ความอยากมาก็รู้นะดูอย่างนี้ได้ได้ความอยากเกิดขึ้นรู้ความอยากหายไปก็รู้กรรมฐานทําข้อเดียวก็พอละ ก็คือให้รู้เนื้อรู้ตัวใช่รู้ตัวเองรู้ทันใจของเราใจมันโลภเึ้่มมาทีไรก็รู้ใจโลภเพ้่มมาก็รู้นะเราห้ามมันไม่ได้อ่ะมันตอดแต่ขอพระคุณต้องสั้นส้นหน่อยจะสิบโมงละกลับน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะก็ใช่ได้สังเกตไมมกายกับใจมันคนละอันกันค่ะเออมันแยกแล้ว แต่วกายกับใจก็พล่านความรู้สึกกระใจก็พล่านก็เห็นแต่เมื่อกี้เห็นใจโลภไหมใจอยากพูดนั่นนหะมันดันขึ้นกลางหน้าอกดูออกใช่ไหมภาวนาเป็นแล้วสงสัยอะไรหรืสงสัยว่าเวลาจิตมีครั้งหนึ่งที่มันตัดเข้าไปเงียบๆ่ะคะอเข้าไปเงียบๆสิ่งที่เห็นเห็นเกิดดับจะสิ่งที่เข้าใจเหมือนจะไปเข้าใจอนัตตามันเป็นไปได้ไหมคะหลวงได้ เห็นที่หลงพ่อบอกกันดูเกิดดับเนี่ยบางคนก็เข้าใจอนิจจังบางคนเข้าใจทุกขงังบางคนเข้าใจนัตตาเห็นนั่นเดียวกันนั่นแหละค่ะแล้วที่ที่น่าแปลกคือเมื่อสองวันก่อนลูกชายเป็นลูกครึ่งนะคะธรรมดาเขาไม่ได้ไหวยแม่แล้ววันก่อนเขายกมือไหว้หนูเห็นจิตที่ไหลแวบแวบด้วยความปลื้มนะคะแต่มันคือทุกทุกจัดจั ด, จดเห็นเห็นเลยค่ะแล้วเห็นเหมือนทะลอกอะค่ะ มันจิตมันมีรอยทะเลาะว่าเอา้าก็งงนิดหน่อยว่าเอาเห็นมันน่าจะสุกนะ <c oughs> เห็นมันมีความปลืม้มจะเป็นเห็นทุกเต็มๆ เ, เลยเจ้าค่ะออดีฉลาดค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็บางครั้งก็จะรู้สึกว่าเห็นแต่ทุกจนโลกที่กว้างใหญ่หนูไม่รู้จะจะหลดเท้าตรงไหนให้ใหมันไม่ทุกเจ้าค่ะมันก็ตรงนี้ตรงนี้ยังปัญญาลั้มไปค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้เห็นจริง <c oughs> ปัญญาลั้มหน้าไปนะค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้โสดานะค่ะ <c oughs> ดูออกไหม ค่ะมันมีสลับกันเออนั่นแหละรู้ทันถ้ารู้ว่ายังไม่ใช่โสดานะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถูกแล้วล่ะตอนนพ่อคะหนูควรทํายังไงต่อบางบางทีมันมันก็จะขึ้นขึ้นบริกรรมขึ้นมาเองแต่หนูก็จะรู้ลงไปว่ามันบริกรรมขึ้นมาเองเหมือนมันกลัวความทุกข์ค่ะเพราะมันกลัวมันก็จะวิ่งหัวสุกหดสซุนขอเกาะบริกรรมแต่พอรู้พอรู้ทันถ้าจิตถึงฐานมันก็จะหยุดบริกรรมแล้วมันบริกรรมเราก็รู้ มันหยุดบริกรรมก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่เราเห็นว่ามันทำของมันเองตรงนั้นแหละถูกไม่ใช่ว่าสภาวะอย่างนี้ถูกสภาวะอย่างนี้ผิดสภาวะาท่าไหลายเท่าเทียมกันเห็นไหมมันทำเองเออนั่นแหละดูอย่างนั้นบ่อยบ่อ่ะต่อไปน้ำมัสกาดค่ะตือนเต้นไหม มากค่ะยังดีหัวใจไม่ไวายใช่คือเคยได้การบ้านว่าให้ดูความเป็นกลางจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยก็ย้อนมาดูตัวเองได้มากขึ้ น, นะคะ่ะก็เลยว่าจะมาขอการบ้านต่อค่ะเอากันบ้านเดิมเลยนะ <c oughs> ดูไปแล้วเราพัฒนามาเรื่อยๆสังเกตไหมวาใจเราดีขึ้นเปลี่ยนแปลงรู้จักโลกรู้จักชีวิตรู้จักตัวเองเยอะขึ้นนะ <c oughs> ดีค่อยๆฝึกไปแล้วมันจะโตเป็นผู้ใหญ่ บางคนอายุเยอะแต่ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีวุฒธธิภาว ะ, ะอย่างตอนนี้เวลาความทุกข์มันเข้ามาแล้วก็ดูไปเดี๋ยวมันก็ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้ปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเกิดได้ดับได้ไปฝึกไปดีนันสการนค่ะหลวงพ่ อ, อส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็เปลี่ยนจะก็<า>กใช้ได้อยู่ เปลี่ยนจากนางมาไล่กาดมาค่ะก็รู้การู้ใจมากขึ้นค่ะโทสะลดลงแล้วก็ความดินน้นรนมันก็ลดลงด้วยค่ะออดีนะเงื่อวนใจมันร้อนมากมันลุยแหลกลุยเละเลยค่ะแต่หลวงพ่อใช้ลุยแหลกี่ก็าบอกใช้ลุยเละค่ะอันนี้มันมีเมื่อวันก่อนนะคะหลวงพ่ อ, อ, อนอนนอนหลับอยู่ะค่ะมันหลับไม่สนิทคณิตเหมือนจิตมันไปเห็น กายมันกระสับกระสายอะค่ะคนนี้แล้วมันก็ไปเห็นจิตมันบริกรรมด้วยอะค่ะแบบเมตตาคู่นางอะไรแบบเมตตาคันนี้หนูก็งงแล้วตอนแรกหนูเข้าใจว่าจิตบริกรรมแต่อันนี้มันเหมือนมีสามอันเลยอะค่ะหลวงพ่อว่าจิตมันไปดูอย่างเงี้ยค่ะจิตจะเป็นคนรู้นะสังขารมันบริกรรมนะความสุขความทุกข์เป็นตัวเวทนาร่างกายมันนอนอยู่รูปมันนอน ดังนันขันห้ามันก็ทําหน้าที่ของขันห้านี่ยตัวคิดนะมันไม่ใช่จิตหรอกแยกเป็นกองกองมันเป็นกองกองค่ะคําว่าขันก็คือคําว่ากองนั่นแหละถูกเป๊ะเลยเห็นถูกแล้วใช่ไหมถูกถูกแล้วหลวงพ่อมีขอคําชี้แนะเพิ่มเติมก็ทำสม่ําเสมอนะค่ะเรารู้แล้วอย่างตัวร้ายอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่เลยค่ะแต่แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วไม่ร้ายเท่าเก่าแล้วค่ะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเพราเราเราขุดคุยออกมานะเราเจอตัวจริงมันน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ทันรู้ทันมันสลายนะค่ะมันก็เบาค่ะพยายามทําต่อไปค่ะอนุบโธนาเนื่องการค่ะหลวงพ่ออืได้เจอหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็เส่งมาครั้งแรกค่ะติม อืมใครเจอหลวงพ่อครั้งที่ร้อยก็ตื่นเต้นไม่ใช่ครั้งแรกหรอกก็ปฏิบัติมาฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วค่ะก็ปฏิบัติมารู้สึกไหมกลยกับใจโค่นล้าน <c oughs> รู้สึกกายบ่อยๆ <c oughs> ใช้กายเป็นเครื่องอยู่นะเพราะเราเป็นคนรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ย <c oughs> เราเห็นร่างกายมันทํางานไป ใจเราเป็นคนดูไปถ้าใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วอะไรก็รู้เอานะ <Okay. S 2> ถ้าถ้าดูใจไม่ออกก็ดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆใช้ได้ ด, <Okay. S 2> ดีกราบนมสกรรหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าไงค่ะขอขอบคุณหลวงพ่อมงกมเลยเจ้าค่ะต mm hmm. ั้งสิดีหลวงพ่อได้สามเดือนเจ้าค่ะแล้วก็เพิ่งได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกเจ้าค่ะ นี่ใจ ไ, <ป>ไม่ค่อยปกติ เ, เลยเจ้าค่ะตื่นเ ต, นน <ะ S 1> ต้นมากอย่าไ ป, ประคองมันหลวงพ่อเจ้าค่ะจริงๆตั้งใจจะถามคำถามเพราะว่า เ, าเป็นห่วงว่าโกลั ว, ว่าตัวเองจะติดสภาวะเจ้าค่ะเพราะว่า เ, าเหมือนกับว่าพยายามปฏิบัติแล้วก็วันก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเช่นพาลูกนอนนะเจ้าค่ะพาลูกตัวเล็กๆนอนแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ทําอาหารให้สามีก็จะห่วงว่าตัวเองจะเผลอหลับไปก็จะแบบเหมือนมีความรู้ตัวอยู่ ยงก็จะโล้รเสร็จแล้วคก็พอมันเหมือนมันจะเคลื่อนไปสู่สภาวะจะหลับเนี้ยก็รู้ใหม่มแล้วก็เผลอไปก็รู้รู้ใหม่ประมาณสักสิบครั้งว่ามันเหมือนขึ้นมาเป็นเด่นเด่นแบบว่ามันเป็นแข็เหมือนแบบว่าแข็งแข็งเป็นก้อนกลมๆเหมัอนอยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคือเป็นห่วงว่าจากจากตรงเนี้ย กลว่าจะติดอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะเพราะว่าพอพอรู้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ทุกวันพอเดินเดินเดินเดินสักพักพอรู้ขึ้นมามันก็มีรู้รู้เสร็จแล้วก็มันหายไปก็หายไปก็เห็นว่ามันหายไปแล้วก็แ ล, วกแล้วก็มันบางทีก็มาบางครั้งอคะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าจริงๆมันตอนที่รู้น่ยมันเด่นอยู่แต่ว่าเหมือนพอลบเลอไปแล้วก็เหมือนอยังอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันกังวลว่ากลัว่าจะติดพจะแก้ได้กังวลก็อย่าไปกังวลมันอย่าไปสนใจมันสนใจอย่างอื่นแทนมันก็หายไป มันหายเจ้าค่ะสนใจอย่างอื่นไปก็หายแต่จากตรงเนี้ค่ะถ้าเกิดอยากจะติดหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ใจชอบไหมถ้าใจชอบไม่รู้ว่าชอบนะถึงจะติดนะอแล้วก็บางทีใจเกลียดใจเกลียดแล้วไม่รู้ว่าเกลียดก็ติดได้นะเนี่ยวตอนนี้ใจไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะถ้าใจเป็นกลางแล้วไม่ค่อยก่ออะไรหรอกอันเนี้ใจมันไม่เป็นกลางใจมันเกลียดไอ้ตัวนี้ โอ้ใช่เจ้าค่ะตอนแรกชอบเจ้าค่ะก็ตะคุ้มมันไว้ <นะ S 2> ตอนหลังก็เอ้ยกลัวเอ้ยติดแน่เลยก็จะไปให้ให้รู้ว่าเกลียดะให้รู้ทันถ้าใจเป็นกลางก็ไม่ติดมันหรอกแล้วยังไงต่อเจ้าค่ะไม่ทําอะไรใจเป็นแบบไหนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจกังวลรู้ว่ากังวลเห็นไหมมันกังวลได้เองเนี่ยดูไปนะทุกอย่างมันมาเองไปเองกังวลก็เกิดเองมาเองไปเองนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่ ว, วเกิดเองไปเองดูอย่างนี้เรื่อย ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะทำยังไงต่อมทำอะไรไม่ได้รู้สภาว่าอย่างที่กำลังเป็นนั่นแหละขอบคุณนะเจ้าคะ่ะชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยเจ้าคะ่ะขอบคุณออกมาเลยเจ้าคะ่รระการธรรสการคะ่ะพอดีเพิ่งมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกะคะ่ะจริงๆฟังหลวงพ่อเทศจาก y o u t u ู e ประมาณสามเดือนแล้วคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือปฏิบัติตามที่ที่เราเข้าใจไว้เองนะคะไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนคือที่นี้ ก็คือตอนแรกกันปฏิปฏบัติสมถะค่ะก็เลือกกรรมฐานอนาปนสติอะคาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติตรงกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าบานทีก็คือนานเลยกว่าจะาสงบเนี่ยค่ะเอย่าไปเอาสงบสิหายใจเล่นๆหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบถ้าหายใจแล้วรู้ทันจิตไปสบายๆแปบ๊บเดียวก็สงบถ้าจะมุ่งให้สงบนะจิตจะไม่สงบเพราะขณะที่เราอยากสงบเนะี่ยจิตจะเครียด ถ้าจิตเครียดจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดถ้ามีความสุขสมาธิถึงจะเกิดอย่างงี้คือเคยลองเลือกกรรมาฐานแบบรวมกันอย่างเช่นอนาปนสติแล้วก็อาจจะมีพุท ธ, ธานุสติแล้วก็สังขาร น, นุสติเข้ามาอย่างงี้คือถูกต้องไหมคะได้ใช่ได้แต่อย่าอยากให้สงบนะปัญหาอยู่ที่ใจยังอยากให้สงบมันเลยไม่ยอมสงบถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง หายใจแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปใจหนักใจเบาใจสุขใจทุกข์รู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันสงบง่ายไม่ยากอะไรดรอกแล้วก็มีการปฏิบัติตามชีวิตประจำวันบ้างนะคะก็บางทีก็หลงไปคิดเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะอย่าลงนานนะอย่าไปหลงนานถ้ามีโทรศขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นโทรศแต่ว่า เหมือนมีครั้งหนึ่งรู้สึกว่ารู้รว่าโทสะแต่ว่าทำไมเหมือนเหมือนยังรู้สึกโกรธอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเน อ, อเพราะว่ามันโกรธตัวเองด้วยนะจิต ท, <c oughs> ทศซ้อนโทสะเข้าไปเรื่อยๆโทสะเองก็เป็นอนัตตาเราสั่งให้หายไม่ได้นะถ้ายังจิตยังกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจยังใคร่ครวญชิดในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่โทสะก็ยังเกิดอีกจิต<ร>มันไม่ทันเราต้องไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะหะ ถ้าถ้าไม่ไม่คิดเรื่องนั้นเรเปลี่ยนเรื่องคิดเนี่ยเป็นสมถะนะเแทนที่จะคิดอย่างมีราคาเนี่ยแทนที่จะคิดถึงของสวยของงามมาคิดถึงปฏิกรเนี้อสุภะอะไรเงี้ยคิดกลับข้างเป็นสมถ ะ, ะ <S <S หรือโกรธขึ้นมาเราไปคิดเรื่องอื่นที่ทําให้อารมณ์ดีก็เป็นสมถ ะ, ะแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยโกรธรู้ว่าโกรธรอบรู้ว่ารอบฟุงซ่านรู้ว่าฟุงซ่า น, น <S <S รู้อย่างที่เป็นรู้ตัวนี้บ่อยๆ่อนะ สมาธิก็หัดง่ายๆอย่าอยากสงบมันก็สงบส่วนวิปัสสนาก็คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นยังขอขอกลับขอการว้านจากหลวงพ่อด้วยให้แล้วนี่ให้ไปดูถ้าจะทําสมถะนะก็อย่าบังคับจิตทําไปสบายๆ ส, สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจพุโทโธไปส่วนจะทํำวิปัสสนาแล้วก็เห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนดูอยนัเรื่อยๆขอบขอบขอบคุณมากค่ะไม่ยากเดี๋ยวพวกเรากล่าวคำถวายทานตามไปเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไถยธรรม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 ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวะอโตทินังเฟตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจจังวุทาปจายโนจตารโธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวพ่นุโมทนากับพวกเรานะมาฟังธรรมเอาไปปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ไปโลกนี้ทุกข์นะ อนุโมทมนามอมศทกับทีมงานด้วยช่วยกันจัดงานวันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนตัวนะต้องลงขันกันทำด้วยซ้ำไปบางทีแล้วทำถวายพระพุทธเจ้าแค่ให้มีโอกาสมีกำลังก็ช่วยให้โอกาสกับคนอื่นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเรา